นโมตัสสะพุทุวะตุอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะวะตรหตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะวะต อะระหัสุสมะสัมพุทธสัมมิตังสาธุปานังกตัญจุตเวกิตาสีห์ตีห์นาโอกาสุทีหาสมมาภัสสนเดชสัมมสีสนา ในกาตัญยูกาตาเวทีใต้คถาเพื่อเพื่อสวส่งองค์สัทธาปรมีที่บรรดาชนนิสราศานะบดีทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาบำเพ่งกุศลประจําปักยุคแรกสิบห้าคำเดือนที่วันนี้การนี้นับธรรมเทศนากันนี้มาแสดงแก่บรรดาชะพุทธบริษัท เพราะว่าวันนี้ทรงกับวันสุจนดจริงก็ดีตามธรรมดายของชาวจีนมาถึงวันสุดจริงก็ดีวันชาติจีนก็ดีมั น, นมจะมีการไหว้ศีรษะไหวเจ้าฝังไห ว, ว้วพอ่อฝักไหวแม่ฝังเป็นต้นในอย่างนี้ขุนบรรดาแต่พระดรัสสนิทเกิดชนอย่างไรสงสาร วายการกระทำแบบนั้นบางทีบางทร่งคิดว่าทำตามปบบีมีนินยมต่เนื้อแท้ความจริงของเวลาในการแล้วเขาแสดงว่าให้แสดงนความกตัญญูรู้คุณแต่บุคคลหมดตายคือวาระถึงปีหนึ่งไ้ก็ทํงกันสองครั้งคือสุดที่สุดครั้งหนึ่งตายครั้งหนึ่ง นำเครื่องไหว้เจ้าบูชาไหว้ศีลบูญญาติยายอันนี้เป็นกา ร, รแสดงความกตัญญูรุ่คุณว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นในสมัยที่มีชีวิตอยู่ให้รูรรมการเรียงดูพระนถ า, น ก, าการเกิดสตุตรตอนต้นต่อมาเมื่อท่านตายวายคนไปแล้วทุกคนก็เริ่ถึงความดีของท่าน แล้วว่าประเพณีการทําสุดสุดีใส่สุดดีดของทีนนี้ก็มีประเณีอันหนึง่งคือว่าต้องเชือดไข่บ้างเชือดหมูบ้างแต่เวลานี้ก็ไม่ต้องเชื่อดเองคุณืู้มเาเชือดแทนถ้ามีการเชื่อไดไข่หรือเชื่อดหมูแบบนี้ก็แสดงว่าคนที่ทํา มีความกตัญญูกตเวทีก็จรแสแต่ว่ามีโทษเป็นปานาทิบาตแต่ว่าในสมัยปัจจุบันคุณก็เชื่อแพนก็นำมาขายอย่างนี้ทำอะไรก็ไม่มีผลเป็นบาปมีแตความดีพี่ถามว่าการแสดงความกตัญญูกตเวทีแบบนี้ ส่งหมูไปให้ส่งเป็ดไปให้ส่งไก่ไปให้ส่งขนมไปให้ท่านผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้วท่านจะได้หรือไม่ก็ตอนตอบว่าถ้าตามคติของพรธศาสนาก็นสดว่าท่านผู้ตายไม่ได้รับจะได้รับแต่เมื่อนาของทั้งหลายเหล่านั้นไปให้ทายก็ดี เราว่าไปบปำเพ็ญกุศลในพุทธศาสตร์ส่วนไนก็ดีเราที่ส่งกุศลให้ยาหนี้ท่านได้รับท่าถามที่ประเพณีของจีนจริงๆเขามีการให้ไข่กันนักเปล่าตรนนี้ก็มรนดาท่านพุทธบริษัทนึงหลายก็เพิทราบประการไหว้เจ้าไหว้ผีไหว้ปู่ยา่าตายายเสร็จขยันมีการเลี้ยงดูกูเสือกับบุคคลที่มาในป้ายของเขา แล้วเขาก็ถือว่าถ้ามีคนมากินมากก็มีความเจริญรุ่งเรืองมาก <c oughs> บ้านไหนมีคนมากินน้อยก็มีความเจริญรุ่งเรือง น, น้อยการที่คนมากินของที่บ้านเขาเลี้ยงดูผูเสียโดยทีิค่าใดๆอย่างนี้จักว่าเป็นานตาผลนบุญอันนี้จะหาว่าเขาทิ้ให้แกบุกคนที่ตายก็ยังมีโอกาสไปโมทนาสงุสน นือว่าถึงคนจีนที่เขามีความกตัญญูกตเวทีเพราะว่าก็ตเ้งแก่เขพุทธศาสนเนือนานานี้ว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คุณแต่ท่านที่อุปกราระคนมาแล้วตอบสนองคนท่านจะมีผลเป็ในไปการใหเรื่องนี้องค์มม ส, สมเด็ จ, จไไพระจอมไตรปิฎกศาสนาสมมาตุสุเจ้าวทรงตรัสไว้ในพระพุทธไตรปิฎก ทรงยกย่องสรรเสริญคนที่มีความระปัญอยู่รู้คุณเป็นมากใน <c oughs> ต, ตอนหนึ่งพระองค์สำเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างรมไป็นอยู่เวลานั้นมีลูกชายก็มาหาเศรษฐีคนหนึ่งทนมาหาเศรษฐีคนนี้ก็เป็นการมาเอื่นมีลูกชายคนเดียวลูกคนอื่นก็ไม่มีอีกแม้จะเป็นมาหาเศรษฐีด้วย ก็มีความตั้งใจว่าซ้มทักสมบัติทั้งหลายพวกเราที่มีอยู่นี้ต้องการให้ลูกชายเป็นผู้ปกครองต่อไปในวันข้นนา <c oughs> ต่อมาวันหนึ่งลูกชายไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไปพบเข้าพระเจ้าตัดใหใหม่เขาไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเลยไม่รู้จักกันมาเลยเมื่อได้ฟังขา่าวพระพุทธเจ้าสเสด็จมาไปชายจนเขไปดันก็ไปดูกัน เมื Christ, lez, birth, ่อไปแล้วก็ปรากฏว่าฟังพระธรรมเทศน์กันนายพระองค์สมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้าจบ้วยความเลื่อมไสในพระพุทธศาสนาต่อมาก็จะขอบวชแก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าคนที่จะบวชต้องพ่อแม่อนุญาตเสียก่อนเขาก็ลาองค์สมเด็จพระจินดาวรไปบ้าน ขออนุญาตพ่อแม่เบิกการปวพ่อแม่ก็มีความเสีได้ยเาทรัพย์สมบัติมากถ้าลูกชายหมดก็ไม่มีใครปกครอสมบัติก็ไม่มีญาติภายหลังไม่ได้รับไม่รับอนุญาตแล้วถ้ากันนอนปวดข้าวข้าวปลาข้าวก็ไม่กินน้ําก็ไม่กินกูดก็บใครก็ไม่พูดอดจนหลายวันชั้นพังไปดามดาอ้อนวันก็ไม่ไหวเพื่อนนอนวันก็ไม่ไหว นายสุก็ตัดสินใจเพื่อแนะนำพวกว่าให้บวชเลเพราะการบวชมีความลาบากมากเพราะลูกเป็นลูกชายขอามหาเศรษฐีต้องการอะไรกมได้สงคารามศาสนาแต่ว่าการบวชนี้ต้องการร้อนก็ได้เยินต้องการยินก็ได้ร้อนต้องการพักผ่อนก็ไม่แน่นักเพราะมีความลาบาก ถ้าทนไม่ไหวก็บวชไหม่ก็ ส, สิดไวยเองพ่อแม่ผมมี ญ, ญาติเมื่อเธอได้บวชในพุทธศาสนาแล้วก็เข้าป่าหรือตัง้งกรรมการปฏิบัติให่ประเป็นชายอันในพุทธศาสนาต่อมาสองคนตายายอยู่ทางบ้านเป็นคนแก่กรรมเก่าเข้ามาสนองคนช้ยในว้านก็โกงเงินโกงทองขโมยของ คนที่ยืมของไปแล้วเงินทองไปแล้วก็ไม่มาจัดจใ่ายใช้ต่อคนที่สุดก็ตายเป็นคนจนแล้วก็จนเอามากถึงขอทานบ้านช่องหมด ต, ต้องถือก็เบื้องแตกแๆไปขอท า, านขอทานเขากินสาหรับพระอุทัยก็าฝ่าลึกไม่ทราบข่ า, า, า, ขาวนี้ต่อมามาคนก็มีความเรื่องใส่ในองค์สำหรับพระจีนเอาถือบแล้ว ก็ลาองส์สมเด็จเข้าไปที่แก้วข้าฝ่าพระลูกชายก็ถามท่านมหาเศรษฐีพ่อแม่ท่านเลยบอกว่าเป็นพ่เป็นแม่ของท่านถามว่าท่านมาจากเมืองไหนก็บอกว่ามาจากเมืองนั้นถามรู้จักเศรษฐีสองตายหญ่ไหมพระที่เข้าไปก็บอก ว, ว่ารู้จักไปทราบเขามีลูกชายอยู่คนหนึ่งออกบวช เวลานี้สองคนตายยายถูกโกงหมดก็ทีบ้านท่องที่ดินได้นา ย, นายตาท อ, องสมเหลือต้องเป็นคนทีก็เบื้องขอะทานอยู่ข้างบ้านคนตระบ้านเมื่อถึงเวลาออกพรรษาเพ้านั่ง ก, กับมาหวังจะมาเยี่ยมปีศาลดัมมัดาทันมาถึงทางสามแพร่งก็คิดว่าถ้าเราแยกสายก็ไปเฝ้า อ, องค์สม็จพระจอมใจสิครูพระเจ้า ถ้าเราแยกทางฝาก็ไปหาบิดาและบารดาจะไปไห น, นก่อนก็ตัดสินใจว่าองค์สาเร็จพระจินาวร์พระมุสสดา์มีคุณมากก็ริงแหละตแต่ตว่าเวลานี้ทราบข่าวว่าพ่อแม่มีความลําบากมากเขาก็เยี่ยมพ่อแม่ก่อนยังเลี้ยวไปทางฝาก็เดินไปเจ้คนแก่สองคนถือก็เบื้องแต่แตกนั่งกอทานอยู่ ลาวกุอองสมเด็จพระบรมครูท่านนี้จึงเข้าไปใกล้ถามสองคนตายยายว่าจําได้ไหมก็แต่งคือไข่พ่อแม่มองหน้าแล้วก็จําได้จําเสียงได้จำตัวล่างก็หนาบางส่วนได้ต่างคนต่างก็ร้องไห้บอกว่าพราะเจ้าคนเดียวที่มันอยู่ปกครองบ้านความสุรบติจีนหมดไปแา่ก็บอกว่าไม่เป็ไนไร ไอสิ่งใดที่มันหมดเป็นกดฎุ้องกันก็มันหมดไปทึ้นใหญ่เลี้ยงกูก็พาหิีดากดัมดาสองคนก็โยมชายก็โยมหญิงประโยู่ทายฝ่าเอาไม้มากลูก็รําหลังเล็กๆ็ให้กันอยู่ในตอนเช้าพิศาบัดได้ข้าวได้มากร้อยเท่าไรก็ตามดีเอามาให้บิดาวดัมดัมดาไปกินก่อนเหลือเท่าไรก็กินเท่านั้น ได้ผ้าใหม่มาก็ผ้าใหม่ย้อนทำลไรเสื้อสีเปลี่ยนสีหม่ให้พ่อแม่หนูแล้วผ้าเก่าก็พ่อแม่ม่ย้อมน้ำตาลแตะโน็งแตนมทำอย่างนี้ต่อมาจะให้บีดามันดาร่างกายดีขึ้นต่อมาปรายกฏว่าพระสงฆ์ในพระธศาสนาอย่างที่ไม่ได้เึ็นตาเรียจ้วคือข้ากฎใหม่ ทราบข่าวว่าพระองค์นี้เลี้ยงบิดามันดาเลีเ้ยงเลี้ยงคณวาสคือไม่นับบาทนนนานา ม, มนแล้วก็ให้ครวาสกินก่อนได้ผ้าใหม่มาแล้วก็ให้ครวาสโน่ตัวเองผ้านงค์ผ้าเก่ากา็เข้าไปเป้ปาองค์สมเด็จพระสมัสสมมาสัมพุทธเจ้ากราบคุณว่าพระองค์นี้ไปจกครวาสหมาความว่าข้าวที่เขาใส่บาทมาคนจะกินก่อนแล้วคราวาสกิน แต่ร mm so, no ื่องคารวะจริงก่อนเป็นการทำลายทำลายศรัทธาไทยพุทธศมสนาพระพุทธบาลสัตว์ที่นั่ที่นำมาถวายจำเริกาในสองตัวได้ผ้าใหม่มาก็ย้อมสีเสื้อใหม่ให้คนแก่นูกนอพ่าคารวะที่เก่าแล้วไปย้อมเป็นน้ำผาต้องแทนอย่างนี้ถือว่าเป็นการละเมิดคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาจัมพรทธเจ้าไม่ตั้งยึดตานักความิึกะ เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบก็เรียกเจ้านั้นกมับเป้าถามว่าพิทเทวดูก่อนที่สุทัลายตามคำพ้องเขากล่าวว่าเธอมีคนแก่สองคนตายยายเเป็นคนเลี้ยงใช้ไหมถ้าก็กล่าวทูลตามความเป็นจริงว่าใช่พระพุทธ เ, เจ้าขราบเจ้าข่า อันถามว่าเวลาปฏิบัตาา้ตอนเช้าื้อให้คนแก่ท้อ ง, งจลินก่อนใช่ไหมและก็ตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะแล้วเธอกากินทีหลังใช่ไหมก็ไม่ใช่องคสมเด็จพระจอมไตรประษสัสสนากล่าวว่าจะถาคดจำได้ว่าร่างกายโองเธอมาหมดเลยใหม่ ในร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้แต่เวลานี้สุขขอโนไปพระหารไม่ขอพริโคไส่ใหม่พระก็บอกว่าใส่พระเจ้าค่ะให้เราถามต่อไปว่าทราบข่าวว่าถ้าเดินเธอได้ผ้าใหม่มาเธอก็ยอมสีเสื้อใหม่ให้คุณแก่สองคนนูน่นแล้วก็ผ้าของคุณแก่ไม่ยอมน้ำปากนู่อินใส่ใหม่โอ้ผมเด็กจองใจก็ตอบว่าพระก้าวกรบคุณว้าใช่พระเจ้าค่ะ แล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าก็ทรงทัถามว่าพิกเข้าเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายสถาคตอยากจะทราบว่าคนแก่สองคนนั้นเป็นอะไรกันือเธอยังได้รารู้เลี้ยงถึงขนาดนั้นจ้าก็กาบทูลองสมเด็จพระพุวันว่าพันตีพระตวาแท้ตัวองสมเด็จพระพุหมีพระพาเจ้าบูญเจริญพระพุดธเว้าั่ คนแก่สองคนนั้นเป็นบิดาคนหนึ่งเป็นมารดาคนหนึ่งของข้าพระพุทธเจ้าเดิมทีท่านทั้งสองเป็นมหาเศรษฐีเมื่อข้าพระเจ้ามัมีความเลื่อมใสในรำประเจมประเดชะนาก็องสุดท้ายพระมหามุนีลาออกบทแท่งคัดค้านแต่ท้ายที่สุดก็คัดค้านไม่ไหวก็ออกบทเสนอศาสนาต่อมาเมื่อข้าพระเจ้าไม่อยู่ท่านเป็นคนแก่ คนใช้ในบ้านก็ขโมยของบ้างคนที่กู้เงินไปก็โกงเงินมาให้ต่างในที่สุดทรัพย์สมบัติก็หมดไปบ้านช่องก็ไม่เหลือที่ดินก็ไม่เหลือต้เป็นคนคืนก็เพื่อขอถามโมองสมเด็จพระจิตตมานุรสาสันดาลทงทราบอย่างนี้แล้วอ์สมเด็จพระบดีเจ้าได้ยกมือขึ้นเหนือก็เสียงกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุ นั่นแปลว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วเธอทํถถาถูกต้องแล้ ว, วาาเพรว่าทำเช่นเดียวกับสถานคตในสมัยที่เป็นสุนาานวรรณสามเมื่อสถานคตเป็นสุวรรณสามก็มีการเลี้ยงดูวิดามารดาเมื่อว่เธออย่างนี้แหละแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้มีพระพุทธดีกาใส่จําดาระสงฆ์ทั้งหลายว่าพิจารวิดูก่อนพิจาุทั้งหลาย ขึ้นที่ว่าปิดามัรดาเป็นผู้มีพระคุณใหญ่เราจะมีร่างกายขึ้มนมาได้ก็อาศัยปิดามารดาวิชาความรู้ที่เราจะได้มาเบื้องแรกก็บิดามันดาเป็นผู้สอนตัดสินอาหารที่จะมีกินได้ก็อาศัยปิดามันดาเป็นผู้ให้แ ย, ยกก่ออาชีพใดใดได้ก็อาศัยปิดามันดาเป็นผู้สอน ตัวความว่าบิดามัรดาเป็นผู้ทรงแระคุณใหญ่เจอบุคคลใดๆในโลกว่าเปรียบเทียบกับความดีของบิดามารดาให้เสมอนั้นไม่ได้เพราะว่าชีวิตร่างกายของเราทั้งหมดเลือดเนื้อในร่างกายทั้งหมดของเราเป็นของบิดามารดาให้การริบกระองนี้เลี้ยงบิดามารดาคือคนแก่ทั้งสอง กินได้บาทมาแล้วก็คนแก่เท่าที่วิดาบรรดาอินก่อนนั่นทําถูกต้องในตัวตกตัวเองกินทีหลังถึงไม่แยกกันเป็นการกินเป็นเดนก็ไม่ผิวว่าทำประพาใจให้ถูกไปแล้วอสมเด็จพระจอมไตรปิฎกมาสั่งไดก็ส่งเรีนําพระท่านทั้งหลายจงจาไว้ว่าถ้าอิจาบรรดามีความทุกข์แค้นยากแค้นแบบนี้ อ, องสมเด็จพระมหามณีทรงอนุ ญ, ญาตบิณฑบาตมาก่อนแล้วให้พระฉันก่อนไดให้บิดามันดาฉันก่อนกินก่อนได้เหลือเท่าไรตนเองกินเลหลังผ้าที่ได้มาใหม่ก็ให้บิดามันดาใช้ก่อนได้ตัวเองใช้ผ้าเก่าได้ก็ทรงยกย่องทั้งเถิดเบลมาก แราสมเด็จพระผู uh ้ม mm ีพระพาคเจ้าก็สอนตัดก็อาศัยความกตัญญ oh, okay. so ูรู้คุณแบบนี้ได้สบายในในสมัยที่เราเป็นสุวรรณสามและจะท่งเล่าความเป็นมาของสุวรรณสามเรื่องมียาวมากเส้นเวลานี้ไม่ได้องสมเด็จพระจอมใจกล่าวว่าพระอาศัยควากตัญญูรู้คุณเป็นปัจจัยให้แต่หาคดได้มีโอกาสบรรลุอริยสัมมาสัมโพธิยาน มีบบแต่บรดาท่านผบริสัทธุ์ท่า์ในความกระตัญญูรู้คนนี่มีประโยชน์มากเลยแม้แต่องสมเด็จพระพุทมีพระพาคแจ้งก็ทรงสรรเสริญการที่ชาวจีงเขาทําความเขาทําสุดจริงขาดจี น, นและก็มีความกระตัญญูรู้คนอย่าีขอทำทั้การไหว้เจ้าไหว้ผีถ้าไม่ละเขาจะไม่เห็นตัว ผีจะรู o, e ้ห <hi> รือไม่รู้ผีจะเห็นแล้วไม่เห็นอันนี้ไม่มีความทั้งคันเป็นการแสดงออกถึงความดีของบุคคลอุปธรรมบุคคลใดรู้คนบุคคลนั้นองค์ส่วนจลวงสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งเสริมว่าเป็นคนดีถึงก็มีพระพุทธวกิตตวานิมิตตังสาตรูปอนังกตัญญูตัตเตเวติกา คือแปลเป็นใจความว่าบุคคลใดมีความกตัญญูรู้การักคนที่ท่านทาแล้วและตอบสนองคุณท่านเรากล่าวาวา่าบุคคลนั้นเป็นคนดีสําหรับคนดีนะเพื่อศาสนาที่มีความกตัญญูรู้คนนี้ก็ยังมีท่านหนึ่งที่กล่าวถึงต่อไปในสมัยโลก ส, สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสนาสมัสสมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เป็นกัน เวลานั้นอง์สมเด็จพระพักกวนรณม่อสดงอย่างมุขาฏิหารเสร็จก็สมเด็จขึ้นไปสู่วรบรุษยอดเขาพระสุเมนไปบนสวรรค์ขั้นดาวประเดสัจจวัโลกพอไปถึงแล้วพระอิน์ก็ทรงอาราธนาให้ประทับอยู่ที่มณฑลกำปศีราอา พระองค์สมเด็จพระบรมโลว ก, ก็ น, น่าก็ได้ประทับแล้วเวลานั้นก็ปรากฏวิญญาณสองคนข้าว่าเป้าองค์สมเด็จพระบาทจีบแก้วคนหนึ่งมีนามอิทธกาชิตระภูตอีกคนหนึ่งมีนามอังกุลชิตระภูตทั้สงสอคนนี้ขณะที่ยังไม่มีวดาอื่นมาถึง อินเดกาเทพบุตรานั่งอยู่ข้างพระบาทขางขวาเขาองค์สมเด็จตุมาสัพงฆ้าชอังกุลัคเทพปรบุต่นั่งอยู่ใกล้พระบาทข้างซ้ายเขาองค์สมเด็จตุลาสังฆราชแต่ครั้นเมื่อเทวดามาครบคุนทุกคนในดาวดินก็ปรายกดอังกุลัคเทพปรบุเป็นนั่งอยู่ท้ายปลายบริษัทแสดงว่าเป็นเทวดาที่มีบุ่นวายที่สุด ในตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหญ่ประกาศความดีของอสการที่ประบุตรยังได้ถามอิสการที่พระมุ่นว่าอิสกในสมัยเมื่อเป็นมนุษย์เธอบำเพ็ญบุญผลอะไรไว้เทวดาผู้มีใบเห็นสัตวาใหญ่มาสักเท่าไรก็ตามทีเธอก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่คอยหลังออกไป แสดงว่าเธอเป็นสวรมดาที่มีบุญใหญ่มากคนหนึ่งในในสวรรค์เช่นดาวประเด็นสติวโลกยกพระอินทร์ันแล้วไม่มีใครเมียลภาพที่มีบุญวัสนาเท่าเธออินได้กาศกกาศุนองสมเด็จตถาสมานัมเจ้าวาพันเตปัจจาวาท่าต่องสมเด็จพระพูทมีพระค่าเจ้าโพธิเรนพระพุทธเจยวคในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพระเจ้าเป็นลูกของคนจน เกิดมาแล้วภายหลังพ่อตายก็เหลือแต่แม่ในฐานะที่มีความจนก็ตัดเฟือเลี้ยงแม่ไอ้ตัดเฟือก็เลี้ยงมะเลีเ้ยงสจนวันหนึ่งวันหนึ่งมีไม่มีสภาพไม่เลยละที่ทำแบบนี้ก็สช้ความกระตันอยู่รู้คุณว่าพ่อตายแล้วแม่บอกแก่ทํางานไม่ไหวเลยตัดเฟือมาเลี้ยงท่านเลยวันหนึ่งวันหนึ่งแคนั้นแต่ว่ารายกดว่าวันหนึ่ง เราสมในพุทธรรมศาสนาเดินไปใต้บานได้มีโอกาสถวายธนทานเข้าใจว่าพระที่เดินไปคงจสร้างเ่าสีองค์ขึนไปไม่เกินรถองค์โดยการถวายธนทานในบรรดาท่านพุทธบริษัททัพพระนั่งกันอยู่และเดินมาสร้างเ่าสีองค์ขึนไปแยกสี่องค์สงเป็นพระนงตาพระวินัย เวลานั้นที่เราถวายอะไรก็ไปถ้าเจ้กล่าวว่าเวลานี้ขอถวายสังฆทานแล้วไม่กล่าวภาษาองก็เป็นสังฆทานแน่นอนถ้าเคบองคสงการถวายสังทานจริงๆไม่ต้ว่าอะไรก็ได้ในเวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรมีพระคนอยู่แต่เขาไม่ได้ว่าอะไรกเวลาพระไปนั่งปุ๊บลงไปเขาก็ถวายเลย ภาพระตั้งแด่ี่องค์ขึ้นไปของเหล่านั้นเป็นสังฆทานหมด แ, แลกก้รายกดว่าถ้าจะพาซึ่นคนจนถ้ิมีมนพระตั้งแสีองค์ขึ้นไปเอา ม, มาไม่ไหวของมันน้อยเขาก็กกราบคนแวงคนเด็ดประจอนใส่บั้งหัวหน้าคณะบ้างว่าวันนี้ขอพระเลือนเน้นเด็กหนึ่งคน อย่างใดยหนึ่งไปรับสังฆทานที่บ่ายคือเป็นตัวแต่งตัวสอย่างนี้ถึงไม่ว่าอะไรก็เป็นสังฆทานว่าก็เป็นสังฆทานไม่ว่าก็เป็นสังฆานถ้าถ้ายกนำบ้านนายเกินไปชาวบ้านลาคังสังฆานคนเขาจะนาช่างาาดีเนะ น, นี่ยไม่ลำพังตะบันว่าไปได้สังฆทานก็อดอันนี้สงห์ดไปตัวความเวลานั้นที่เสกการที่ประวุฒิท่านอยู่บ้านป่า มีพระเดินผ่านไปให้กฐินมลเข้าไปฉันใ่บ้านอาหารเขาชาป่าบรรดาทจ้าพุทธบริษัทเจ้าบรชาป่าที่มีความยากจนมากจำในนี้ไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนจะเมีออะไรบ้างอย่างดีที่สุดกาจจะมีแกงเลียงถ่าจะแกงเลียงไม่ทันดีไม่ดีก็เอาสักมาต้มบ้างไม่ต้มบ้างมีพระราบมีตะพิกุตาบรรญาส า, า, า, ายา ได้ถวายสงฆทานครั้งแรกในชีวิตและก็เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตในชีวิตถวายสังฆทานครั้งเดียวจะถวายด้วยความเรื่องใช้จิตแต่เนื้อแท้จริงๆที่เป็นบนใหญ่บุญใหญ่ก็คือความกตัญญูรู้คุณท่านตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ทัานดาวันจึเป็นเทวดาโลก ก็เอสายบุญด <Yeah. S 1> ังสอนราการคือหนึ่งความกตัญญูรู้คุณดีดามารดาช่วยพ่อแม่ทำงานประวัติการในสองนิสดาวัยสงฆ์ไทยก็เกิดเป็นเทวดาที่มีอานิสงส์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาที่เกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณเพราะว่าเทวราชเทวราชาเทวดามีพระอิท่านพระิน ท่านเป็นคนมีความกระตันยูรู้คุณแล ะ, ก, ะนนก็เป็นคนใจดีามากเป็นคนมีการอ่อนน้อมต่เป็นคนผู้ใหญ่ตามพระบาลีกล่าวถ่งคุณสมบัติทั้งว่ามาตาเปรีป ร, รังชันตงุงกุงาากเกรเชียถาประชาเยนนังเป็ต้นนี่จะหมายความว่าคนที่จะเกิดบนสวรรค์ยันดาวเรืองเป็นพระอินได้เพืนหนึน่งต้องเป็นคนยินการเลี้ยงดีดามารดาให้เปสุความเคารพ เทศกาลในสองเป็นคนมีการอ่อนน้อมคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคือเราต้องดับพี่กันไปแล้วก็แสดงการอ่อนน้อมแสดงความเคารพเทยกาลในสองชอบไปฐานเทศกาลีนสามนับความโกรธเทศกาลนสี่พูดไปล้อเทศกาลในห้าพเป็นเพ้นจาการดีรเนินเทศกาลในหกเพ้นากความโกรธนับความโกรธเป็ตน้นนี่ละบรรดาเป็นพุทธศาสนิกชน คนที่มีความกระตันยูรู้คุณอย่า ง, เ, า ง, จงาเจ๊กีเขาทํากันเจ๊ยงยันนึกว่าเจ๊กทำจริงดีเมื่อเจ็กไหวเจ้าเจ็ดเจ้าไทยก็ไปกินเจ็กไม่สง่างานเช่ไเจ็กไหวเจ้าเสร็จจะไหวผีไหวพ่อไหวแม่เจ็จเจ้าไทยก็ถอดเด็จไปกินเจ็กจะเป็นแถวเลย เอตอนเจ้าไทยไปกินเจ๊กนี่เจ็กได้บุญตอนนี้เป็นทานอุปรมีตอ้องถือว่าเป็นความดีของเขาแต่ว่าถ้าเจ๊กทำพลาดท่านะเอาไก่มาเชือดเองเอาหมูมาเชือดเองเอาเป็มาเชือดเองอย่างนี้ทานอุปรมีที่ให้ทำไมคุม้มบาปมันหนักกว่าแต่เทศไปก็เวลาไป่ต้องบอกเรื่องราวมันมีอยู่ ฉะนั้นขอบรรดาลชาวพวกก็องสมเด็จสัพป ร, รังสุให้ถือ ว, ว่าความกระตันยูรู้คนโคตรจีนเขาทำดีเราเป็ น, น, นคนไทยในเบอร์ศา ส, สนาองค์สมเด็จพระสัสมมาสัมเจ้า ก, ก็ทรงยกย่องสรรเสิญถึงกับพระที่เป็นลูกวิญญาณมาแล้วให้พ่อแม่ที่ก่อนได้องค์สมเด็จพระจอมไตรยอนุญาติถือว่าไม่ถือว่าไม่เป็นการทําลายสถาไทายเสียไปไม่เป็นการนี้ โดยการในสองพ่อแม่มีผ้าเก่าท่านได้สบองจีวอนใหม่เย็บย้อมใช่ให้เป็นสีเของชาบ้านหนูให้พ่อแม่หนูได้จะลงความเมื่อความกระตันอยูนี้องค์สมเด็จพระจอมใจทรงสรงเสริญมากเขี่ยงกับทรงตราเป็นพุทธภาษิตมีพุทธภาษิตเดียวเท่านั้นที่ทรงยกย่องสรรเสริญมากเป็นคนดี ที่คำว่านิมิตังสาสุปันนังกตัญโยตะเวชุตานี่มีข้อเดียวกันนั้นที่กล่าวว่าบุคคลใดมีความกะตัญโยรู้ประการะคนที่ท่นทนทนนาททนทำแล้วและตอบสนองคุณท่านคำว่ารู้ประการะคนที่ท่านทาแล้วจะไม่ได้หมายความพ่อแม่อย่างเดียวนะ่ใครก็ตามที่เป็นผู้มีคุณเคยสงเคราะเรา เรายอมรับนับถือในความดีของท่านและตอบสนองคุณท่านในความดีอย่างนี้สำเด็จปิจนาสีหรือไม่ศาสนา